ทั้งที่ธรรมมีมาดั้งเดิมมีอยู่ดั้งเดิมก็ไม่มีใครที่จะแบวกแนวไปเจอธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิม น, นั้นว่าได้พบแล้วในคำที่ว่าธรรมอัจฉรยัยะนั้น เพราะไม่อยู่ในที่นั่นที่มีที่ใดๆทั้งสิ้นแต่หากเป็นธรรมอยู่โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นจึงมีใจเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยืนยันธรรมขั้นต่างๆ ว่ามีความอัศจรรย์มากห้ือว้ต่างกันอย่างไรบ้างทมกับโลกแม่จะมีมาด้วยกันดั้งเดิมถ้าไม่มีใจเสียอย่างเดียวเป็นเครื่องสัมผัส น, นับทราบด้วยการปรับปรุงใจให้ถูกที่ควรจะรับทราบไ้แล้วก็ไม่มีทางทราบตลอดไป ซึ่งทำให้อัศจรรย์เรื่องความกัจรูร้หรือความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระองค์แรกซึ่งไม่มีใครแนะนำหวายอุบายพระองค์แต่อย่างใดเลยแต่แล้วก็สามารถแวกออกมาจากสิ่งงานแน่นทั้งหลายซึ่งไม่มีทางที่จะคาดจะฝันไหว จะสามารถแหวกว่าออกมาได้ในบรรดาโลกทั้งมวลแต่พระพุทธเจ้าทรงแหวบว่าออกมาได้ด้วยความเป็นสยามผูทรงแหวกทรงรู้ออกมาเองพ้นออกมาเองไม่มีใครแนะนําสั่งสอนเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ต่างจากสาวกทั้งหมายต่างที่ทรงนี้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 มหันตตโทษมหันตทุกข์มีอันนี้คำที่พระพุทธเจ้าจงเปรียบเทียบไว้เหมือนดอกบัวสีเหล่านั่นก็เป็นธรรมนองเดียวกันผู้เบาบางเต็มที่คอยที่จะแย้มอยู่แล้วก็มีรองลำดับรงมาโดยลำดับลานาจนถึงขั้นปัพประมะหมดทาง กมเรียกว่ามหันตทุกมหันตโทษในวัตจักรก็มีเมื่อได้รับพระอวาทของพระพุทธเจ้าแต่ละยุคและสมัยที่ท่านมาจัดสรุนั้นนั่นแลเป็นการเป็นสมัยที่สัตว์โลกจะได้หลุดลอยปล่อยโทษจากสิ่งคุ้มขังคือธรรมชาติที่กล่อมสนิทอยู่ภายในจิตใจนี้ ให้ได้ผ่านพ้นไปโดยลำดับลำดาเมื่อหมดประเภทที่วันจะผ่านพ้นไปได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ปริพาน์หรือาศาสนธรรมก็หมดไปจากความนับถือของสัตว์โลกเพราะไม่มีช่องมีทางที่จะให้เกิดความเชื่อความสงสัยและนับถือพร้อมเท่ากับ การนำปฏิบัติได้เนี่ยรมจึงมีเป็นการเป็นเวลาที่ตามที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์มาแต่สรุ้ดังพระพุทธเจ้าของเรานี้แม้จะทรงพระชนอยู่เพียงแปดสิบพระภันษาเท่านั้นก็ตามแต่ก็ทรงเลงยานดูสัตวโลกที่เกี่ยวกับสาธนธรรมของพระองค์นั้นจะยืดยาไป ประมาณเท่านั้นเท่านี้เช่นห้าพันปีเป็นต้นคือจัตตโลกจะมีผู้สนใจในธรรมในาศาสนธรรมความพูมอยู่เพียงแค่นั้นจากนั้นก็ถูกสิ่งปิดกำบังอย่าง ม, มืดมิดปิดตาไปเลยเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์ปัท ะ, ะประมะไป ถ้าเป็นโรค ก, ก็มีแต่โรคประเภทไม่ฟังยาหมอกับยา ก, ก็หมดความหมายปล่อยวางเท่านั้นเองนี่เหตุที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เื่อมาจัดจะรู้่เ ป, เปิดโลกเหมือนกับเขาปล่อยนักโทษในเรือนจําออกเป็นการเป็นเวลาใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตาม หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เรียงลำดับลำดากันนั้นเคยเป็นมาแล้วแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคนความที่คนจะเชื่อใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ขึ้นอยู่ตามความจริงดังที่กล่าวมานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรู้เลยสัตว์โลกนั้นก็จะต้องจมอยู่ตลอดเวลา ยิ่งกว่านักโทษที่ติดตารางในตลอดชีวิตซะอีกจึงต้องมีศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์มาตรัสรูแล้วเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายที่อดกลั้นทนทานในทุกข์ทั้งหลายซึ่งได้เห็นเต็มหัวใจแล้วได้หลุดลอยออกมาด้วยอำนาจแห่งกระแสธรรม สองเข้าถึงก็ยืดก็เหนี่ยวเกาะกันออกมาเรื่อยๆผ่านพ้นไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นในตำหรักตำราว่าบรรลุผลนิพพานนั่นแหละคือรอดพ้นไปโดยลำดับอุสาเร็จอรหัสดาหารก็มีส ก, กีทาก็มีอนาคาก็มีโซดาก็มีเป็นกานิยานุปุชนเพื่อสืบมิสัยวาสนาต่อไป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 เป็นแต่เพียงว่าทมนั้นยุบย่อลงไปในบางการแล้วสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาบางสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และยังจะเป็นไปอีกตลอดอนันตการในทานองเดียวกันนี้โดยไม่ต้องสงสัย้ะผู้ที่ควรแก่การจะได้หลุดพ้นจากวัตจักวัตว น, นี้ ก็มีช่องทางที่จะเป็นไปตามระยะระยะระย ะ, ะ, ยะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกยังมีอุปนิสัยต่างกันและเหมาะสมกับการที่พระพุทธเจ้าแต่ละโค์จะมาตรัสรู้ในขณะที่มืดบอด ท, ที่สุดเลยนั้นก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าที่ไหนมาตรัสรู้เช่นอย่างสุญยากับอย่างนี้ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรัสรู้ในขณะที่เป็นฉุนยากคือจิตของสัตว์มโลกทั้งหลายมันเหมือนกันหมดไม่มีจิตดวงใดที่จะสามารถรับแสงสว่างเห็นธรรมพอที่จะนำตัวให้ ร, รอดออกไปได้จิงไม่มีสาธนธรรมมาประกาศกลางวัในเวลาเช่นนั้ น, นเรียกว่าเป็นสมัยปะทะประมาจริง นี่พอควรแก่การที่สัตว์โลกทะเ ร, รอดพ้นยุบพ้นไปตามวาระของตนที่มีกรรมมันชั่วแน่นหนาเบาบางไปแล้วพระพุทธเจ้าในจังหวะ น, นั้นพระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้แล้วลึกผลจัดโลกไปได้จํานวนมากมายก่ายกองแต่ในบรรดาพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์พระองค์นี่เป็นหลักธรรมชาติ เคยมีมาดั้งเดิมและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีการไม่มีสมัยเป็นผู้เคียงและต่ตาไปตามยุคตามสมัยของโลกของธรรมที่จ ะ, สะแสดงตามวาระของตนต่างกันนจากนี้ท่านก็แสดงไว้แล้วว่าพระยเมตรัย จ, จะมาจากสรุ จากพระพุทธจทเจ้าขอาไปแต่เรื่องนานเดือแม่นานก็ฟังเอาว่าพุทธันดรนหนึง่งระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่จะมาจัดจารุแต่ละโพระองค์พระองค์นั้นยืดยาวนานมากทีเดียวนั่นแหะที่ว่าพุทธันดรระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่จะมาจัดจารุแต่ละพระองค์นั่นแหะเป็นศุนย์ก็บว่างเปล่าจากศาสนธรมนรมว่างเปล่า่างเปล่าจาก คำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์สัตว์จะต้องจมอยู่ต้อำนาจของยิ่เดชซึ่งมีอำนาจมากตลอดเวลาเราเรียกว่าจมดิ่งก็ได้ไม่มีเวลาโผล่ขึ้นมาได้เลยพอที่จะเห็นโทษททเหนภัยแห่งสิ่งที่ถูกกดท่วงนั้นแม่น้อยเราทั้งหลายได้ทั้งเกิดมาเป็นมนุษย์ และได้บวชในพระพุทธศาสนาทั้งได้ปฏิบัติอัตธรรมนี้นับว่าเป็นบุญยราพจานวนกี่เมือนกี่แสนคนเราก็นับเข้าในจานวนที่มีบุญยราพมีวาสนามีกีราเราก็เป็นสมบัติของเราในทางที่ดีเราจึงควรที่จะภาคภูมิใจ ในภพชาติและอำนาจวาสนาของเราที่เกิดมาในท้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าจะปริพัน์ไปก็ตามเถิดคำว่าสวขาโตภควตาธรรมโมทมที่จั์ไปชอบแล้วนั่นแหละคือองค์ศาสดาที่ประกาศกลางวานอยู่กับหัวใจของสัตว์โลกไม่ได้ปรินิพานไปตาม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 มาประทานพระโอวาทด้วยพระโอษของพองค์เองกับเราทั้งหลายในขณะที่ได้อ่านตํำรับตําราในขณะที่ฟังเทศนาว่าการในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติวิตภพวนาประหนึ่งว่าพระองค์มาที่แกงแสดงบอกอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติของหลักธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้ว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 อันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านไปตามกฎอันนี้จังทุกข์งองหน้าตาแต่หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของสัวรโลกอันนั้นไม่ได้ผ่านไปเช่นนั้นดังพระอวาที่สอนไว้ตามตำหนับตำราเราได้กล้าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาและแดนแห่งการปฏิบัติจะมีจึงควรจะตักตวงให้เต็มทัศน์กำลังความสามารถของเรา ไม่ใน ล, ลดย่อนอ่อนข้อท่อแท้อ่อนแอเรี้วไหลตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัด ต, ตามธรรมประหนึ่งว่าพระศาสดาเอื้อมพระอัดพระหัดมาฉุดมาลากเราด้วยพระหัดของตัวเองโดยหลักแห่งสวงรรคธรรมไม่ละเว้นเราควรจะมีความกระยิ่บรื้อปีติในการประพฤติปฏิบัติให้เห็นสิ่งที่เป็นภัย ซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มานานแสนนันคำว่าทมประเสริฐนั้นเราจะได้ยินเป็นบางการและเป็นบางรายแต่ส่วนกิเลสเป็นสิ่งที่ต่าช้าเร็วซามอันออกมาจากการตาหนิของจอมปราดทั้งหลายนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเต็มอยู่หมด ก็ไม่ปรากฏว่ากิเลสนี้วิเศษตามหลักธรรมที่ท่านตำหนิดโดยความจริงแต่ใจของเราที่ถูกกิเลสครอบนานั้นมันถือว่าเป็นของดบของดีเป็นของวิเศษวิโสไปเสียทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าสกุลของกิเลสแล้วไม่มีสกุลใดที่จะเลื่อหล่อจากความหลงความยึดความคล้อยตามของสัตว์ทั้งหลายนี่เลย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 วันนี้กำลังยังอ่อนไม่สามารถจะ ก, ก้าวไปได้วันต่อไปก็เสริมขึ้นโดยลำดับลำดาเช่นสมมภาพเพียงสมาธิธรรมเท่านั้นที่ควรจะได้เห็นกันสดสดร้อนร้อนภายใใจของผู้ปฏิบัติแต่ในขั้นเริ่มแรกเราก็ได้ยินแต่ชื่อไม่สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์สมาธิธรรมหรือสมถะธรรมนั้นได้เลย เราก็พยายามปรับปรุงใจของเราด้วยวิธีปฏิบัติกิตตภาวนาตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่หยุดไม่ถอยก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตำนาตั้งแต่เล็กหรือตั้งแต่นิดหน่อยจนกระทั่งปรากฏอย่างชัดเจนขึ้นภายในใจนี่ก็แสดงว่าจิตของเรามีกำลังขึ้นมาพอจะสามารถสัมผัสสัมพันธ์สมถะธรรได้ก็สัมผัสสัมพันธ์ได้ ในเดือนนี้ในวันนี้ในปีนี้เป็นอย่างนี้แต่ในปีต่อไปเดือนต่อไปด้วยความไม่ลดละความภาคเพียรของเราก็ย่อมจะคืบหน้าไปได้โดยลำดับกิเลสมันก็คือกิเลสมันจะเพิ่มพูนมาจากไหนถ้าเราไม่สร้างไม่สั่งสมมันเวลานี้เรามาสั่งสมอัดสั่งสมธรรม ความคิดความปรุงตลอดถึงการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใด <c oughs> ขอให้น้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้ปรากฏความล่มเย็นสงบสุขขึ้นมาภายในใจของเราใจย่อมจะมีความสงบขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือทางเดินของจอมปราบและนักปราบทั้งหลายท่านเดินมาอย่างนี้ทุกยากลําบาก อย่าให้กิเลสเข้ามาแทรกในวงงานให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอหรือเกิดความท้อแท้เลี้ยไหลไปเสียต่างๆนานาอย่างนั้นนั่นเป็นกลบุบายของกิเลสที่คอยที่จะแทรกทำและฉุดลากเราออกจากแนวทางอยู่ทุกระยะให้พึงทําการต่อสู้เสมอทุกทุกเถรเพราะกิเลสพาให้ทุกไม่ใช่ธรรมพาให้ทุกการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลส ได้รับความทุกข์หนักเบามากน้อยต้องยอมเสียสละเพราะทุกนี้ทุกเพราะกิเลสเพราะทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสทุกเพราะฉุดลากตนออกจากกิเลสไม่ใช่ทำท่านมาทรมานให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ เ, เป็นเรื่องของอธรรมทั้งมวลของฝ่ายต่ำซึ่งเป็นค่าสืบของธรรมทั้งมวลที่ฉุดลากเราไว้ให้เราได้รับความลาบากในการประกอบความทักเพลินทุกระยะไป ขณะจิตที่จะทําความภาคเทียนจะมีขณะหนึ่งแทรกขึ้นมาจีดขวางทางเดินจีตขวางการบําเพ็ญให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอให้คิดปไปในแง่ต่างๆอันจะเป็นการปิดจากหาทางเห็นธรรมของพระพุทธเจา้าเพื่อความสงบลมเย็นมันจะแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาทุกระยะระยะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบความคิด ความปรุงทราบทราบเรื่องอุปสรรคที่คอยทำการกีดขวางการดาเนินธรรมของตนผู้ไม่เคยปฏิบัติจะไม่ทราบเลยจะถือนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เค ร, ริ่มลงไหลยปตามมันโดยไม่มีวันอิ่มพอนีได้เคยพูดให้ฟังเสมอนักปฏิบัติเพื่อให้ทราบการแรก้กิเลสนี้ยากมากสุดสติปัญญา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 อย่างไรก็ตามความเพียรพยายามให้เป็นพื้นของใจอยู่เสมอทกุก็เคยทุกมาแล้วไม่เห็นนำประโยชน์อะไรมาสู่เราทุกโดยลาพังของธาตุขันทุกโดยที่กิเลสผิดความคิดความปรุงขึ้นมาให้เกิดทุกสิ่งเหล่านี้มีแต่ก่อความเสียหายให้แก่เราแต่ทุกเพราะการต่อสู้นี้เป็นผล ทางดีทั้งนั้นเป็นผลบวกไม่ใช่ผลลบจงให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติหลักสัจธรรมก็ถือเอากายเป็นที่ตั้งชาติปิตุขาชราปิตุขามานำปิตุขังได้แก่ร่างกายนี้ตั้งขึ้นมาแปรปวนแสดงทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ตายมีเท่านั้นสำหรับธาตุขันธ์นี้ ไม่ได้วางเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านเพชรนินกินดาความวิเศษวิโสจากสิ่งใดจากผู้ใดทั้งสิ้นมันเดินตามสภาพของมันอย่างนี้มาดั่งเดิมไอสิ่งที่ว่าอันนั้นวิเศษอันนี้วิโสอันนั้นดิบอันนี้ดีนั้นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกหัวใจให้ดิ้นดนกรน ก, ว, กวายเท่านั้นเองเนี่ยคือสัจธรรมมันเป็นภายในกายของเราดูตรงนี้ ดูร่างกายมันมีป่าชาประจําตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ฟังเสียงสรเสริญเยินยอไม่ฟังเสียงสมบัติเงินทองเข้าถังใดๆทั้งสิ้นมันกล้าไปตามหลักธรรมชาติของมันท่าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะหลงเพลินไปโดยโดยไม่ได้มองจุดแห่ความจินดังที่กล่าวมานี้แต่จะว่ามองไปด้วยความเล้ยวไหลเล้วแหลก ตามอำนาจของยิ่งเด็ดดอกลวงไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกครั้งอริยสัจจังท่านบอกว่าชาติปีตุขาจะลาปีตุขามานำปีตุขังเป็นสำคัญสมุทัยท่านเอากล่าวไว้แล้วว่านันทิราคาสาคาตาตตาตตาายพินานีเสเย่ยที่ดังคืออะไร ทันหาทั้ง3ได้แก่ความเสื่อมคลานความกระวนกระวายความไม่มีวันอิ่มพอความหิวโหวยสามประเภทนี้คืออะไรการมาตันหาความไข่ในสิ่งที่ตน ช, ชอบทั้งหลายที่สัตว์โลกชอบสัตว์โลกแต่ละลายละลายชอบกันทั้งนั้นไม่มีวันอิ่มพอหิวโหวยตลอดวันตายนี่การมาตันหาเพาะว่าตันหาอยากเกิดในภพนั้นภพนี้อยาก สมมักสมหมายก็หิหวโหยตลอดเวลาแต่มันไม่สมหมายมันอยากเฉยเฉยก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนหิวข้าวนั่นแหละความหิวข้าวมันมีความสูกไหมหิวเท่าไรก็ยิ่งทุกมากนี่ความอยากความทะเยอทะยานความหิวโหวยของตัณหาเหล่านี้มันก็เป็นลักษณะนั้น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 ได้มาแล้วอยากให้อยู่ตั้งกับตั้งกันไม่ให้เสื่อมไม่ให้แปรปรวนไปไม่ให้มีอะไรสูญไปเสียไปนี่เป็นวิภาวะตัญหาสิ่งเหล่านี้เป็นลมๆแรงๆคัดจากหลักความจริงที่เกิดแล้วต้องดับได้มาแล้วต้องเสียไปนี่คือหลักธรรมอันนั้นเป็นเครื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่ลบล้างธรรม ฝืนกันอยู่เช่นนั้นนั่นแหละความฝืนทำนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับความลําบากลําบุญทนทุกข์ทรมานด้วยมาจนปัจนนี้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่เราเป็นผู้มาศึกษาทั้งโทษทั้งคุณให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าก็ไม่ปีนเปียวกับธรรมใจก็ก้าวเข้าสู่ธรรมคือความสงบร่มเย็นไม่ควรยวายไม่ทะเยอทยาน ไม่หิวโหยไปตามหน้าของกิเลสมันก็สบายเพียงเท่านี้ก็เริ่มสบายแล้วนี่ท่านจกว่าตันหาคือสมุทัยยอริยะสัจจังมันมีอยู่ในใจดวงใดมันต้องแสดงอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันถ้าแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้มันจะเป็นไปเช่นนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมี่ทำเท่าทนั้นที่จะเขไปปราบปรามชะล้างได้นีโรด อนิยสัตว์นั่นคือความดับทุกข์ทางใจด้วยอำนาจของมรรคขัตต์มีมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรตุมาทังสัมมาสมาธินี่เครื่องปราบทุกข์เครื่องปราบกิเลสตัวเป็นสาเหตุตัวก่อเหตุหรือโรงงาน การก่อทุกข์ป ร, ราบด้วยมัชจิมาปฏิปทานเมื่อมัจจิมาปฏิปทามีกําลังกล้ามีกําลังมากอย่างไรกิเลสจะมีกําลังน้อยและตายไปโดยลําดับสลายตัวไปโดยลําดับลําดาคัมมันนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปตามจังหวะที่สมุทัยดับไปเป็นมรรคตอ น, ตอนสมุดไทยคือกิเลส ประเภทต่างๆ ต, ตัวผิดทุกขึ้นมาดับไปอย่างสนิทเพราะอํานาจของมรรคมีกําลังเต็มที่นิโรธก็แสดงความดับทุกข์ได้สนิทุกนี้ในสัจธรรมทั้งสีน่นี้อย่าไปคิดตามดินฟ้าอากาศอย่าไปคิดตามสถานที่นั้นสถานที่นี้โลกนั้นโลกนี้เพราะสัจธรรมทั้งสีน่นี้เฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่ที่ใจ เอารวมกันเรีว่ากายกับใจรวมกันชาติปิตุขาเป็นเรื่องของกายซึ่งเป็นขแขนงสืบเนื่องมาหรือว่าเป็นวิบากของสมุทัยสร้างขึ้นมาสมุทัยก็คือตันหาทความหิวโหยความเสือ่อมคลานทั้งสามประเภทนั้นแหละมันสร้างวิบากนี้ขึ้นมานี่คือฝ่ายผูกมัดทุกข์ขัดสมุทัยยัสัตนี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้ มรรคศัตร์ได้แก่เครื่องปราบปรามตัวฆ่าศึกที่กล่าวมาทั้งสองนี้ให้ดับชนิดปรากฏเป็นนิโลดขึ้นมาก็อยู่ที่กายที่ใจของเหล่านี้รวมแล้วอยู่ที่ใจเป็นสำคัญนี่แดนพ้นทุกข์เมื่อยิเลศดับชนิดลงไปแล้วไม่ต้องถามหาที่ไหน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 จึงมีอยู่ที่จิตไม่ใช่มีอยู่ที่การนั่นสถานทีน่นี้ไม่อยู่กับเวล่เวลาบ้านนั้นเมืองนี้พบนั้นพบนี้โลกนั้นโลกนี้แต่อยู่ที่นี่สำหรับผู้ปฏิบัติให้ตั้งเข็มทิศจ่อเข้าไปตรงนี้พระพุทธเจ้าไปในพานานานเพียงไรก็าตามจะไม่เป็นปัญหาอันใดเลย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 ไม่สงใจเท่าที่คาดโน้นคาดนี้นั่นก็เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไรเป็นจักขีพยาิก็ต้องคาดคาดไปถึงขนาดให้กิเลสย่ำเยียวว่าโอ้ยศาสนาล่วงไปนานแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพานานานแล้วหมดเขตหมดสมัยหมดมรรคผลนิพานแล้วทำยังไงก็มาได้ใช่จะบำเพ็ญดิบ ความดีขนาดไหนเต็มความสามารถถูกต้องแม่นยําตามหลักธรรมขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานนี่คือเพลงกล่อมของกิเลสกล่อมเช่นนี้นอกกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานเกิดมาตั้งเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์นับแต่โคตรแต่แท้ของมันมามันจะเอามารรคผลนิพพานมาอวดสา์โลกอย่างไรเพราะคําว่ามารรคผลนิพพานก็คือแดนสุดบิสัยของมันแล้ว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 ไม่อยากไปในสิ่งในสถานที่ในธรรมชาติที่ควรอยากทำอยากไปมันเป็นเรื่องกิเลสกวาดต้อนให้เข้าสู่ในวงอำนาจวัตจักรวัตจิตของมันนี้ทั้งนั้นธรรมชาตินี้กิเลสมันมีอำนาจที่ไหนที่จะไปสร้างพอจะไปลบล้างว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีได้นอกจากมันสร้าง ความทุกข์ใส่หัวใจสัตว์โลกเท่านั้นมันไม่เคยสร้างสวรรค์นิพพานพรทมโลกอะไรให้สัตว์ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลให้สัตว์เลย ม, มีแต่สร้างความทุกข์ความทนามานอันเป็นเรื่องของบาป ก, กรรมที่ออกจากอุบายของมันเท่านั้นเราสมควรนะหรือที่จะเชื่อตามจิตนี้นี่แหละอุบายของกิเลสที่มันทําสัตว์ให้ข่อยคว้าสุดท้ายก็คว้าน้ําเหลว เพราะฉะนั้นหลักความจริงแล้วจึงไม่มีคาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแสนนานเป็นการตัดขาดจากมรรคผลนิพพานที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทาตามหลักธรรมยึ่งสวขาตะธรรมการนิพพานเป็นเรื่องของพระองค์เท่านั้นแล้วการนิพพานไปก็ไม่ใช่เป็นการขาดทุนชูนดอกสำหรับพระพุทธเจ้าเป็นการเปลี่ยนสภาพ ในทางธาตุทางขันอันเป็นสมุทให้เข้าสู่ตามสมมุติเดิมพ้องตนโดยหมดความเยื่อใ ย, ยตายอยากไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วเท่านั้นจิตบริสุทธิ์บริสุทธิ์ล้วนแล้วอะไรไปเป็นค่าศึกทําให้พีนา่าพิบหายได้แม้แตะกิเลสก็ไม่สามารถไม่มีอานาจวาสนาที่จะไปทําลายจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าให้สูญให้อันตราฐานไปได้ แล้วนิพานจะสูญไปไหนจิตผู้บริสุทธิ์จะสูญไปได้อย่างไรเพราะธรรมชาตินี้นอกเหนือไปจากสมมุติทั้งมวลแล้วมีอะไรที่จะนอกเหนือสมมติไปทําลายจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วให้สูญไ ป, ใ ห, ญไปให้อันคิบหายไปนั่นขอให้รู้ครัเถอะจิต ด, ดวงนี้ไม่ต้องไปถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ตามแต่พูดแล้วก็สาธุ จะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงลําบากหรือหัวเราะเลยพระองค์จะทรงยิ้มเห็นให้ปรากฏไอ้ว่าไอ้นี่มันบ้าแล้วเหรอนั่นสรรทิฏิโกเราจะถาคตได้มอบไว้แล้วพร้อมทั้งการปฏิบัติอันเป็นเครื่องนําเนินที่จะให้เกิดผลเป็นสันทิฏิโกขึ้นมาอืมันเอากวาดไปให้เกล็ดเคี้ยวคืนไปไหนหมด มันถึงไม่ได้นำมาปฏิบัติพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวนี้แล้วมาถามเรานั่นแหลักความจริงเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใคร <c oughs> มีอมนาจ บ, บาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มีผู้ใดไม่มีอันใดที่จะสามารถลบล้างได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมมีมาดั้งเดิม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 นี่ยไม่มีใครที่จะมาคัดค้านต่างฐานไม่มีใครที่จะมาหลอกลวงว่าทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเพราะรู้เห็นอยู่ประจักษ์ใจเต็มหัวใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนจะหวังอะไรมาช่วยส่งเสริมให้รู้ยิ่งกว่านี้ที่เป็นจริงเป็นหัวใจอยู่แล้วนี้ น, <c oughs> นั่นนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าก็จางอย่างนั้นที่ว่าธรรมอาชา์ขอให้ตรับใจของเราให้เข้าสู่แดนธรรมประเภทต่างๆเถอะ คำว่าสมาธิอย่าเสียดายความตายเกิดมาแล้วมีป่าชาติเต็มตัวให้เสียดายอัจเสียดายทำด้วยการปฏิบัติอย่างเอาทิงเอาจังนี้จะเป็นความเสียดายที่มีสาระที่มีคุณค่าส่งเสริมตัวของเราให้ดีขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเสียดายอันนี้เป็นต้นทุนหรือเป็นเครื่องหนุนเราอย่าเสียดายอ่าชาอย่าเสียดายความตายคือเสียดายกิเลสนั่นแหละเรพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตาย เอาลงไปพิจารณาเราอาให้จริงให้จังยาละหลอะแหลกทำพระพุทเจ้าไม่มีบทใดบาดใดสอนสัตว์โลกให้ละแหละความละแหละเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปให้ลดแหละแต่ตัวของมันเองมันไม่ได้ละแหลกมันทําจัตว์ให้ละแหลกได้ทําสัตว์ให้โง่แต่ตัวมันเองมันฉลาดไม่มีอะไรจะลบล้างมันได้นอกจากธรรมพราะฉะนั้นจึงผิดธรรมขึ้นตั้งแต่ขั้นสมาธิ เอาให้สงบที่ทำท่านสอนไว้แท้ๆใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับความสงบเป็นผู้จัดสัมผัสสัมพัสความสงบขอให้ปรับใจให้ดีสติเป็นของสั้งังที่จะตีตะล่อมจิตที่ซึ่งถูกยีเรียชุดลากไปลากไปให้เข้ามาช่องอัดช่องทำทีท่จะปรากฏช่องทางแห่งความสงบขึ้นภายในตนให้เข้มงวดกวดขันให้ได้รับความสงบจนได้ในขณะที่ฝึกหัดอบรมภาวนา อยาไปคิดถึงเรื่องอันใดสิ่งใดในโลกนี้ว่าจะมาช่วยส่งเสริมว่าจะมาช่วยแก้ไขดัดแปลงหรือปราบปรามกิเลสให้จะมาช่วยให้ได้มรรคผลนิพพานไม่มีธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างเต็มโลกเต็มท้องสารเป็นธรรมชาติของเขาเองอยู่อย่างนั้นแต่น่าจะอะไรมาไม่เคยมากดขี่บังคับไม่เคยมาส่งเสริมเราให้มรรคผลนิพพานชิพหายแล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เลยนอกจากกิเลสภายในหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นให้ ตั้งจุดลงจุดนี้แล้วทําความภาคเพียรโดยความมีสติกับงานของตนที่ทํานั้นประหนึ่งว่าโลกของฐานนี้ไม่มีในขณะนั้นมีเฉพาะงานที่ทํากับความรู้ที่สืบต่อกันอยู่นี้เท่านั้นนี่แหละทางนไปเพื่อความสงบเย็นหลังจากนั้นก็เมื่อถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้ค้นให้คิดตั้งปัญหาถามตนเองหาเรื่องใส่ตัวเองเพื่อ อ, อาจเพื่อทําให้เป็นไร น, นี่แหละ จะเป็นปัญญาที่แตกกนนระเนียงไปโดยลำดับต้องหาเรื่องตั้งแต่กิเลสมันยังหาเรื่องให้เราวันนั่งขําคืน ย, ยังลุงทั้งเก่าทั้งใหม่เลอะเทอะไปปขนาดไหนก็ยังอามาอุ่นกินกันอยู่นั่นมันจะเฟอ้อตายนะท้องถ้าเป็นกิเลสพาให้ท้องเสียเพราะคิดแล้วคิดเล่าในอารมณ์ของเก่ามีอะไรมีแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นการรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาเท่านั้นที่มันมาครุ่นคิดก ว, วนใจขยํา ย, ย, ย่ํายีตีแหลกภายนจิตใจใน อิทิบาทต่างๆตลอดเวลามีอะไรก็มีแต่สิ่งเหน่อนี้เท้ง น, นั้นมันเก่าขนาดไหนเคยคิดเคยปรุงมาแล้วสิ่งดีใจเสียใจรักใครชอบใจหรือเกลียบชงังประการต่างๆมันเคยคิดเคยปรุงมาแล้วมันเคยเผาหัวใจมานานแล้วทําไมไม่รู้สึกว่านี่เป็นของเก่านี้เป็นของใหม่นี่เคยเป็นพิษเป็นภัยมาแล้วทำไมจึงต้องติดต้องเพคินกับมันตลอดเวลาดูที่หัวใจมันมีแต่สิ่งเหน่อนี้ทั้งนั้นเผาอยู่ในหัวใจมันจึงไม่มีอาดมีทำ เข้าไปแทรกภ า, ายในจิตใจพอให้เกิดความสงบร่มเย็ยนได้เลยถ้าไม่เอาจริงเอาจังะะนั้นาจิงตั้งปัญหาถามตัวเองมันสัญญาอารมณ์มันไปกับเรื่องอะไรถามสิเรื่องอารมณ์เหล่านี้เคยคิดแล้วอย่างได้ผลอะไรจะเป็นเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องเล่อะไรก็ตามแล้วนี่เคยคิดแล้วยังแล้วเคยเผาตัวเองมาเท่าไหร่ทาไมไม่เห็นโทษนั่นตั้งปัญหาถามตัวเองนี่ดี่ว่าปัญญาให้คิดเรื่องอดเรื่องทําที่เรื่องอดเรื่องทําเราไม่เคยได้คิด คิดยังไม่ถึงไหนถูกกิเลสมาปัดมือออกปัดมือออกตีข้อมือออกจนเวลานี้ข้อมือจะไม่มีเหลือแล้วถูกกิเลสตเีเอาเดียวทำไมไม่เห็นโทษขมัด น, นั่นเลยนี่แหละปัญญาตั้งปัญหาถามแล้วค้นเข้าไปในส่วนร่างกายส่วนต่างๆตามหลักความจริงเป็นยังไงในร่างกายเราเคยประกาศก็เคยแนะนำสั่งสอนมาเต็มกําลังความสามารถจนจะ ม, มีอะไรเหลืออยู่แล้วในผง ว่าต่างๆที่สอนนั้นเราให้ค้นคิดล ง, ลงไปปัญญาอยากคอให้เกิดเองนะไม่เกิดทำไม่ใช่ถูถยกันตั้งปัญหาถามตัวเองคิดค้นในตัวเองให้เกิดในเบื้องต้นซะก่อนเออเกพอคิดขึ้นมาเข้าใจตรงไหนแล้วมันจะสะดุดใจสะดุดใจเข้าใจสะดุดใจไปเรื่อยๆต่อจากนั้นเขาจะค่อยก้าวทิ้ง ปัญญาเขาจะค่อยๆก้าวเดินเมื่อเห็นผลแล้วไเรื่องความขยันมันเพียนความพ อ, อพอใจที่สั้นเรียกว่าฉันท้วิยะกิตตะนี่มันจะหมุนเข้าสู่ปัญญาทั้งนั้นเพื่อไขควรวนี่มังสารเพื่อไขควรวทหาเหตุท้าผลแต่กิเลสแก้ด้วยปัญญาณนะสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตีจะล่มให้กิเลสรวมตัวเข้ามาแก้ไขได้ง่ายตรงไหนที่มันปักเสียบเอาไว้ปัญญากระจายออกไปเที่จะถอดเที่จะถอนออกมาโดยลําดับลาดา จนกระทั่งหมดเข้ามาโดยลำํำดับลำดับนี่ปัญญาถ้านเรียกว่าปัญญาปัญญาที่แรกต้องใช้จินตามายาปัญญาใช้คดใช้ชิดใช้ค้คคนนี่เรียกว่าจินตามายปัญญาแต่ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นอุบายแต่และแง่ละมุมแล้วก็ให้นําไปเป็นจินตามายาปัญญาพิจพิจารณาคิดคน้นถกเถียงตัวเองในเรื่องปัญหาต่างๆซึ่งกิเลสมันสร้างขึ้นมาภายในหัวใจแก่กิเลสแก้ปัญหาของมันที่สร้างขึ้นมานั่นแหละ มันสร้างขึ้นที่หวัวใจแก้กันที่หวัวใจด้วยปัญญาต่อไปปัญญาก็ก้าวได้กิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปปัญญาออกทำงานได้อย่างสง่าผ่าเผยพอจากลำดับนั้นแล้วเอาลละพินมความหวังตอ น, นิแดนิพานนี้จะขึ้นเต็มหวัวใจแล้วความหวังที่จะหลุดพ้นทุกนั้นมันทุกระยะอีก ที่ควรจะได้จะถึงเป็นลำบบดับบรรดาไปนเรื่องความภาพเลียรไม่ต้องพูดนี่มีถึงวาลาที่ที่จะข้ามวัตจักรวัตถจิตให้จมจากใจไปแล้ววิวัตจักรวิวัตจิตจะขึ้ น, นเพื่ออำนาจของสติปัญญาขั้นสร้างตัวเองขึ้นภ า, ายจในจิตใจนี่พยายามพิจารณาตั้งให้ดี เมื่อปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วหมุนติวติวติวทั้งวันทั้งคืนไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมาอุบายใดที่จะเป็นไปเพื่อปราบพิเรศแล้วจะรับปรากฏรับกันขึ้นมากับพิเรศปรากฏรับกันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้เรื่องคําที่ว่าความอ่อนแอความทอดแ้ความว่าตนบุญน้อยวาสนาน้อยอาภัพวาสนาหายหน้าไปหมด ความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดนี่เป็นเหตุให้เราได้รู้มันชัดๆว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสทั้งนั้นนะมีแต่ความบึกบืนมีแต่ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญากลมเกินเป็นเตียวเดียวกันไปเลยหมุนติวต้วติ้วไปอันใดจะพูดว่าความเพียรเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงพูดได้ในจิตดวงเดียวที่พุ่งพุ่งตัวสู่แดนพ้นทุกข์อยูนะ่นั่นนั่นแหล ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นทำอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเป็นพักเป็นตอนเรื่อยเรื่อยเรื่อยอุบายต่างๆไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาคนเราเมื่อถึงการฉลาดแล้วฮักดีดตัวเองผึงผึงผ ง, งไปเลยทีเดียวเราฟังอุบายจากอุบาจารย์แต่ละนิดตีตขแขนงไปไม่ ร, มรู้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันแขนงนั่นที่นี่เป็นสมบัติของตัวแล้วกินไม่หมดแต่ากระจายไปจากทั่งถึ ง, ถงกิเลสแตกดวงแตกลังหมดจากกินแล้วนั่นละ่ะ สติปัญญาขั้นนี้ถึงจะยุติโดยหลักธรรมชาติไม่ได้บังคับว่าต้องยุติหรือให้ยุติเสียเมื่อหมดเหตุหมดหมดเหตุห ม, ห, ตหมดปัจจัยแห่งสิ่งผูกสมมุติทั้งหลายแล้วปัญญาสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติศัทาความเพียนซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันลงด้วยกันหมดเหลือแต่ธรรมชาติของจิต ท, ที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นนี่แหละท่านว่าธรรมอัศจรรย์ทินจะว่าธรรมอัศจรรย์ก็ได้จิตอัศจรรย์ก็ได้ เมื่อจิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจะปรากฏจุู่นายในใจของของผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวด้วยสันติโกในเวารสุดท้ายขอให้ทุกท่านต่างอกต่างใจเราเพื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างที่กล่าวนี้อย่าไปคาดไปหมายการเวลาเวลาสถานที่นั่นที่นี่ ให้มันสิ้นท่าความคิดต่อเปล่าให้กิเ็สเอาไปต้มไปตุนโน้ตความคิดตัว น, นี้เป็นความอุบายของกิเลสให้มันต้ม ม, ตมันตุนที่ต่อเวลาเอาลงในวงสัจธรรมสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่อยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละได้นของความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นแล้วอยู่ที่ตรงไหนเวลานี้อยู่ที่จิตแยกออกมาก็อยู่ที่กายกับจิตเมื่อรวมลงไปรวมลงไปทางภาคปฏิบัติแล้วอยู่ที่จิตแห่งเดียว นิเรศ ก, ก็อยู่ที่จิตของนี้แห่งเดียวมันแตกแขนงออกไปต่างหากบริษัทบริวารทำมันเยอะเหมือนกับต้นไม้ต้นเดียวมีถึงก้านสาขามากมายหลายกองนิเรศ ก, ก็มีอวิชชาตัวเดียวเท่า น, นั้นมันแตกกิ่งก้านสาขาไปเดี่ยวที่เรศพันห้าตัหาร้อยแปดมันก็มาร้อยปอดคนดนี่แหละเวลาสติปัญญาศรัทาความเพียรเช่นมรคแปดรวมลงไปแล้วก็ลงในสมาธิิฐสติกปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องหมุนตื้วเป็นเครื่องคว้านฟันหันแหละนื่เล เมือเ่อจิตเลียนบรรลัยไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญาก็เป็นสมมุติด้วยกันลงตามสภาพยุติปจัญญภาพของตัวเองธรรมชาติที่อจจัศจรรย์นั้นไม่ต้องถามที่อือยู่ไหนก็อจจัศจรรย์ไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนจะเป็นมิจจะตายไม่คำนึงคำนวณไม่ถามไ ม, ไม่คิดให้เสียเวลาเวลาเลยนั่นจึงเป็นธรรมที่พออจจัศจรรย์ก็อจจัศจรรย์ไม่พอตัวไม่ล่นพ้นไม่ผ่าพ้น เป็นธรรมเหนือโลกเหนือโลกสมมุติเวรว่างอาเอาอากาศของจิตอเอาอากาศของธรรมอยตรงนั้นเนี่ยการเสพยงายามทำไม่อพอสมควรโอเคอันนะี้รู้จุดนี้หน่อย